วันนี่ก็ไม่มีอะไรมากเนาะจ่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะก <ขอ S 1> ็ฟังดูงแลกันเนาะว่าเป็นยังไงแต่และท่านก็จะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกันแต่ก่อนที่จะมาจะปเล่าให้ฟังเไงต้องม า, าก็จะเล่าให้ต้องฟังแต่ให้ฟังตั้งแต่ต้นเนาะเพื่อจะมาเป็นเป็นเกิดที่จงหมดสมบุกปรกกาลต้อมาเกาิดสมบุก ก็ทมงากินเนาะไปตามภาษาของชาวโลกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ อ, อายุยี่สิบห้าก็มีครอบครัวพออายุได้มีลูกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงลูกอายุสิบขวบ คือปี40นภรรยาก็จากไปนะเนื่องจากกรรมบางอย่างนี่อรมาก็เลียงรูปมาอีก4ปีก็เป็นปี44ธรรมาก็มาบวชมาบวชที่บวชนี้ไม่ใช่เลยเพราะว่าพอ่อตาที่เขาอยู่สิงห์บุรีนะเขาบอกว่าตามภาษาของคนแก่เนาะเขาบอกว่า สงสัยว่าอัตามานเนี่ยตอนนั้นเป็นชาวบ้านจะไม่คือเหมือนว่าธรรมะหากินไม่ขึ้นเลยนะคือทําอะไรก็คนโกงอะไรแบบเนี้ย่สงสัยว่าจะไปะเรียก อ, อะไรนะบน่นนะบนทุกที่ไงบ่นเกณฑ์ทหารย้ายถูกทหารก็ไปบนทุกที่เลยอะไรเงี้ยจะขอให้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปบนอย่างทั่วไปเนาะเราเป็นชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเป็นพลตุชนคช น, นชาวบ้าน ก็ไปบ่นก็จริงอย่างที่ท่านว่าก็มีส่วนท่านบอกว่าเอ้าทั้งหมดแก้บนโดยการไปบวชเหมือนกับว่าข้านิมนต์ให้บวชหนึ่งภาษาประมาณเนี้นะแต่เป็นเป็นโยมก็ไม่เรียกนิมนต์ก็ไม่เรียกว่าเรียกอะไรเนาะก็คือให้ให้บวชขอให้บวชหนึ่งภาษาเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นจะได้มาเลี้ยงลูกได้ประมาณนี้นี่ก็พอดีบวชได้หนึ่งภาษาบวชที่วัดเจ้าพนังเพอ นึงในจังหวัดสิงห์บุรีนะวเป็นวัดเจ้าขนาอำเภอก็เป็นวัดวัดชื่อวัดพระปรางนะแต่เป็นพระปรางไหนอำเภอเชิญกลับจังหวัดสิงห์บุรีเพราะว่าพ่อตายอยู่ที่สิงห์บุรีพอบวชเสร็จก็ได้ในพรนษา ก, ก็ออกมา มัอก็ว่ามาบอกท่านนะที่ที่ท่านนี่มนุ์เราไว้หนภาษาแล้วก็ไปที่บ้านแล้วก็คุยกันท่านก็รู้ว่าเรานะ่ะอยากจะบวชอีกเพราะอะไรเพราะว่าธรรมาบอกว่างี้อรรมมาไม่อยากจะไม่อยากจะกลับไปทํางานที่ประเทศอนะ่ะอยากจะทํางานที่กับพระเช่นว่าไปขายสีให้พระขายปูนขายทรายขายอะ็กเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระไม่โกง อั น, นีคือความคิดตอนนั้นเนี่ยนะพระไม่โกงผู้ใหญ่อายุเจ็ดสิบกว่าเขาก็ดูออกใช่ไหมว่าเรายังยังอะไรในในเพศนี้อยู่ท่านบอกว่าไงด้วยองน้ท่านบอกว่าเอาอย่างนี้กันนะคุณถ้าคุณนะ่ะสบายใจที่จะพูดต่อไปเดี๋ยวหลานเนี่ยจะรับช่อบเองตอนนั้นอายุสิบสี่ตอนนั้นลูกคือหมอยสี่ปีคืงสิบสี่ แต่เราผิดชอบไปเองทีนี้เราก็บวดต่อไปบวดต่อไปจนถึงเดี๋ยวนี้ 17,000 สามตอนนี้ก็เรียกว่าพ่อตาเขามีบุญคุณมากเขารับเลี้ยงลูกไปแต่ลูกนี้ตอนนี้ลูกก็โตลแล้วเนาะตอนนี้มีครอบครัวไปแล้วมีลูกคนหนึ่งนี่คือพูดในในในเชิงของแเขาเรียกว่า ขาวว่าทีนี้เราพูดถึงในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมของอาตมานะอาตมาก็ปฏิบัติธรรมเมื่อประมาณอายุสิบหกมศสามประมาณนั้นตอนนั้นยังเป็นมศ ส, สามอยู่จริงๆก็กอดสิบหกแล้วแหละไม่มีอาจารย์เอาพระพุทธูเป็นอาจารย์ได้ยินว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโพก็ทำ นี่ที่ทำไปทำมาเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งพ่อเขาไปเช่าบ้านอยู่ห่างไกลามากเลยอยู่ห่างไกลามากเพื่อจะทำการประกอบอาชีพค้าขายนี่แหละอยู่ที่จังหวัดสุราธานีเพราะว่าพ่อก็ททำงานที่สรประสการแล้วมันไม่ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควเรเลี้ยงลูกหกคนไม่ได้ก็เลยไปอยู่สุราไม่รู้่ายังไงไปอยู่สุราธานีแล้วก็ทำการค้าขาย ก็ไปยูอยู่อยู่ไม่อยู่คืนหนึ่งคนในบ้านพี่น้องพ่อแม่นอนหลับเมดแล้กนะ็จริงๆทำมานะมามาก่อนหน้านั้นนะแต่วันนั้นเนี่ยได้ลมดีมากเลยเพราะเงียบยังไงก็ไม่รู้อตาตมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรสักพักหนึ่งมันแปลกแปลกว่าเหมือนกับมีอีกคนหนึ่งกำลัง ดูเรากำลังหายใจอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะ ว, ว่าเป็นเพราะอะไรแต่เห็นแต่ตอนนี้มาเข้าใจแล้วอ๋อสายพธิ์โธนี่การเห็นรูปนามเป็นอย่างนี้เองคือเห็นว่ามีคนคนหนึ่งกําลังหายใจเขาว่าคนคนหนึ่งก็คือรูปและหายใจไอหายใจเนี่ยรู้ว่าอาการหายใจคือนามเยเขาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนต่อจากหลังจากนั้นก็ ปฏิบัติบ้างไม vraag, of of ่ enfin 36, ปฏิบัติบ้างทิ้งไปตามภาษาของคารวาเลยเนาะพอมาปีสามหกเปลี่ยนอีปพอดีว่างที่กำแพงของไอ้ตรงสีแยกสังฮีเนี่ยไอ้ที่ลงมาตรงตรงแยกที่จะเลี้ยวขวาไปวชิระอ่านโรงพยาบาลเขาจะมีป้ายเขียนตรงกำแพงนะบอกว่ามีการปฏิบัติของสาย ตอนนั้นยังไม่เป็นด็อกเตอร์นะอยู่แม่สิริกริชัยสายยุบหนอพองหนอ7เจ็ดวันที่เขาเรียกว่าลูกเขาเรียกว่าวิจัยครูสวนสุนันทาในคราวนั้นก็มีทั้งหมดสองร้อยห้าสิบคนที่ทไปปฏิบัติเป็นคารวาสทั้งผู้หญิงผู้ชายไปปฏิบัติสามวันแรกต้นๆไม่รู้เรื่องอะไรเลย คนอื่บไรายงานโอเห็นนั่นเห็นนี่มีประสบการณ์ได้สภาวะทำเยอะแยะเราไม่เห็นอะไรเลยท้ายๆปวดท้องมีอยู่อันหนึ่งวันหนึ่งปวดท้องปวดท้องถามอยู่แม่สิริกิิชัยเขาบอกว่าปวดท้องนี่สงสัยว่าเราก็คงเคยไปทํากรรมเกี่ยวกับท้องของของคนอื่นสัตว์อื่นน่ะให้มันปวดอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ ที่ปฏิบัติเนี่ยทั้งวันให้แผ่กุศลให้เขาแผ่กุศลให้เขาทําแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะคือไอ้ที่การปวดท้องมันไม่เป็นเสร็จแล้วต้องบอกกันก่อนว่าของยูมสิริชัยสิริเชัยเนี่ยเขา ท, ทาทั้งวันนะคือในรูปแบบก็จะมียกน้อมมานออะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วนอกรูปแบบเวลาเดินไป ไ ป, ไปกินข้าวไปทานอาหารเดินหนอใช่ไหมอาจจะมีเดินหนออันนี้ว่าสมมุติเราไปนั่งที่โต๊ะนี้ข้าวๆนะก็หมองเห็นหนอตักหนอสมมติเราจะตักข้าวยกมาหนออ้าหนออมหนออะไรเงี้ยเขาจะมีทุกหมดเลยทุกเรียบทนักธรรมก็ทําแบบเนี้ทั้งวันทั้งคือตื่นขึ้นมาก็จะทําตามนั้นน่ะ ทำเป็นคนที่ชอบธรรมเป็นปกติไม่รู้เป็นเพราะอะไรชอบปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไร น, นะเขาทําไปทำมามันมีสภาวธรรมนะของสายนี้นะจากประสบการณ์คื อ, อาการพองพอ ง, พองยุบเนี่ยมันไม่ได้พองธรรมดามันไม่ไยุบแล้วเดี๋ยวมันก็พองพองพองพองพเดี๋ยวมันยุบยุบยุบยุุเดี๋ยวพองยุบพองยุบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันบอกไม่ถูก คือแต่มันเป็นไปตามธรรมชาติของเขานะเราไม่ได้ไปทำมันนะมันบอกไม่ถูกเลยมั น, มนอะไรอ่ามันหลายหลากมากแบบมากไม่อยู่ครั้งหนึง่งแต่ว่าสายนี้ต้องหลับตานะต้องหลับตานั่งสมาธิหลับตาพองห้พอพอพอลงหายใจพองพอพอท้องพองเราก็บอกพองหนอพอท้องยุบก็ยุบหนออย่อยางงี้นะนแต่ว่าการเดินก็จะเป็นแบบ น, นี้ มันมีหนึ่งจังวหวดถึงหกจังหวะยกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะนี่จังหวะที่หนึ่งทำได้เงี้ยแล้วก็ไปยันหกจังหวะไปทายทายเห็นอาการพองพองพองพองแล้วมันระเบิดออกไปมันลูกโป่งมันระเบิดออกไปแต่อันนี้รับทานะรับทาก็ไปถามแล้วก็ยุก ยุบยุบยุบยุบยุบเข้าไปจอถึงติด ก, กระดูกสหลังเลยรู้สึกอย่างนั้นก็ไปถามโยมแม่สิริเพียรชัยว่าเป็นอะไรท่านบอกว่าอันนี้คือเห็นการเกิดดับของรูปนามระว่า น, นนะมันก็ไม่ได้ว่าก็ทําต่อไปอีกทําต่อไปจนบนทยท้ายๆเนี่ยก็จะ ม, มีอาการเหมือนกับกว่ามีเข็มเนี่ยมันแทงตามกระดูกในตัวเนี่ยทั่วตัวก็ถามท่านท่านบอกว่าวิปัสสนาญาที่สิบ ท่านวางกันนะตามสายนี้เสร็จแล้วก็พอเวลาเปิดใจท่านก็จะบอกว่าในจํานวนสองร้อห้าสิบคนเนี่ยอาตมาจะมีสภาวะธรรมสูงสุดนี่ท่านพูดอย่างนั้นนะหลังจากนั้นเข้ามาบวชมาบวชก็ประมาณปีสี่สี่ที่เล่าให้ฟังเจ็ดปีแรกเนี่ยจะอยู่วัดบ้านจะอยู่วัดบ้านเพราะว่าไม่รู้จักอยากที่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักครูบาอาจารย์ ทำยังไงรู้นะมทำบุญมากๆากทำบุญจนเกือบจะเป็นลมเลยทำบุญยังไงพระเรียนก็ไปเรียนนะประโยชน์ภาษาที่หนึ่งก็ได้นักธรรมตรีภาษาสองได้นักธรรมทูภาษาสามได้นักธรรมเองภาษาสีได้ประโยชน์หนึ่งสองภาษาห้าได้ประโยชน์สามภาษาภาษาหกตกภาษาเจ็จึงได้ประโยชน์สี่ เพราะทำงานมากทำงานเป็นเลขาเจ้าน้ำเบอรเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นบุคคลที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้ให้มาแปดอย่างให้ทํางานแปดอย่างให้ทั้งเป็นเป็นคนเบิกจ่ายเงินตอนนั้นยังรับเงินอยู่เบิกจ่ายเงินทําบัญชีจกกัดจิตนิมนต์ไปเรียนสอนนักธรมันเรียนเลยมากอะโอ้โหแต่ก็แล้วก็ อธิษฐานบอกว่าขอขอให้ได้เจออาจารย์แล้วต้องเป็นสายที่บรรลุ ธ, ธรรมเร็วที่สุดขออย่างนั้นทั้งถวายทานก็ให้นะก็คือว่ามีเขาบอกว่าทำพระทูตุลูกก็ถวายไปผ่านพระแล้วก็เรื่องนะับปณ ะ, ะทุกอย่างทําหมดก็เลยทําให้มาเจอนี่เข้าใจว่าอย่างนี้ก็เลยมาเจอสายนี้เมื่อปี สองพันห้ารอยห้าสิบนะสองพสิบเพราะว่าอยู่ที่วัดเนี่ยสอบตกแน่เลปยประโยคีเพราะตกปลปีหนึ่งก็เลยมาเรียนที่วัดพรนอนจักรศีวรรวิหารที่ท่านยศคุณนะ่ะที่ตอนเนี้ยที่ท่านมาเทพเรื่อยๆท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมาดีๆไปอยู่ที่นั่นเรียนบาลีเสร็จแล้วเนี่ยพอสอบเสร็จเนี่ยเขาจะมีที่นี่เขาจะมีกติกาว่า จะพาพระเนรเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้บางเอิญอัตมาเนี่ยโชคดีมาสายของหลวงพ่อเทียนจริงๆเขาไปหลายทุกสายนะมาหลวงพ่อเทียนที่อยู่วัดพรมบุรีหลวงพ่อมหาสุรินทร์อาจารย์มหาสุรินทร์ไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นคือไปไปประดับอยู่ที่นั่นกับกับพระเนรของวัดปนอนประมาณสิบห้าวัน เสร็จแล้วเขาก็กลับกไปหมดเหลือแต่อัตมา ต, ต่ออีกคือมีคณะสงฆ์เขาบอกว่าหลักสูตรป บ, บสเนี่ยจะต้องมาปฏิบัติธรรมสิบวันถึงจะผ่า น, นอัตมาตก็อยู่ต่อเป็นเดือนสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นคือมีวันหนึ่งอัตมาเนี่ยโยมแต่ทำทุกวันนะทำตลอดเลยประมาณเดือนทำขยันทา แต่ว่าสภาวธรรมมันเกิดขึ้นมาครั่กอย่างที่เห็นก็คือโยมก็เอาน้ำอ้อยขันสดที่กดเล็กๆที่เราเห็นนะที่ที่นี่ก็มีเป็นไงน้ำอ้อยเป็นไงหวานนะหวานมากเลยแต่วันนั้นอาตามาดูดเข้าไปนะมันไม่มีรสไม่มีรสเลยมันเป็น มันก็ว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งเนีน่ยมากระทบลิ้นรู้แค่นั้นจริงๆทำ ม, มาเป็นอยู่ไม่นานนะแต่ว่ามันแปลกตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันเนีน้ถึงอายุประมาณห้าสิบตอนั้นปีห้าสิบอุย้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอตอนหลังถึงมาเข้าใจด้วยแม้เข้าใจว่าไงอ๋อไอ้ไอ้ไอ้เขาเรกว่ารถน่ะมันกระทบลิ้นเสร็จแล้วเนี่ย มันจะไม่มีการปรุงแต่งมันจะเป็นรูปของของของรสเฉยๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีมันจะไม่มีมีรสอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอต่อต่อมาสัญญามันไปประกอบสัญญาไปประกอบก็เลยอ๋ออันนี้มันรสหวานเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นตามขาบวนการของเขาต่อไปจนกระทั่งถึงความคิดเกิดถึงความทุกข์ความรู้ที่หลังแต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรเล ย, เลยรู้แต่ว่าเฮ้ยมันแปลกดีทีนี้ ถ้าจะคุณพระพุทธองก็ดีอาจารย์มาหาสุดินก็ดีพูดทุกเจ้าวัดแพร่แสงเทียนบอกว่าวัดแพร่แสงเจียนนะเนี่ย เ, เวลางั้นอาจารย์ทั้งสองท่งานก็จะไปเก็บบารมีไงสมมติท่านจะทํางานอยู่ที่เป็นคณะสองฆ์อะไรท่านเป็นเจ้าวาบ น, นะแต่ละวัดเสร็จแล้วท่านจะไปเก็บบารมีที่วัดแพร่แสงเทียนตลอดแต่ว่าท่านพูดแล้วเนี่ยทําไมอาตมาถึงไม่กล้ามาก็เพราะเราอาตมาเป็นวัดบ้านเพราะวัดบ้านก็รู้ใช่ไหมว่าจะสบายสบาย ต้องตื่นทีสามนอนสามทุ่มเราจะไหวไหมเนี่ยโอ้มันหนักนะสำหรับคนที่ไม่มีอินซีย์ไม่ไม่อินียอ่อนอะ่ะได้อย่างนั้นก็เลยคิดอยู่ดานเอาน่าะคนอื่นเายังทำได้เลยลองลองดูเขาแล้วกันคืออยากจะพิสูจน์ไงว่าไอ้ที่เราเห็นนะ่มันเป็นอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือต้องการพิสูจน์อ่ะก็เลยมา หลวงพ่ออาจารย์มาสุรินทร์มาส่งเองเลยนะคือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่หลังจากนั้นก็บอกท่านเจ้าขุณบอกว่าผมจะขอขอไปปฏิบัติที่วัดแพร่แสงเทียนท่านเจ้าขุณว่าพนนอนเขาก็เงียบๆเฉยๆเขาก็รับรู้ไว้เสร็จแล้วเนี่ยตมางนานเลยแล้วก็ไปเขาจะเรียนน่ะจะจะเข้ามายีืกว่าในปีการศึกษานั้นนะปีห้าศูนย์นั่นแนหะห้ศูนย์ไม่ใช่ห้าศูนย์ที่ห้าหนึ่งนะแต่นี้เป็นห้าหนึ่ง วันที่สี่พฤษภาคมสองบันร้อยห้าสิบเอ็ดเป็นวันวิสาขาบูชายอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้สงสัยเราจะไม่มีโอกาสได้ไปเพราะวัดแพร่แสงเทียนไม่รู้จักเราไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จักอะไรเลยเหมือนพาบ้านนอกอยู่ๆ อ, อาจารย์หลวงพ่อท่านก็คือบอกว่าขึ้นรถพระอีกสิบสองลูกขึ้นรถตู้ไปวัดแพร่แสงเทียนในวันลุ่ขึ้นนะ ก็เลยจำได้ว่าปฏิบัติทำสายนี้แต่เแต่วันที่ห้าพฤษภาคมสองพนห้าสิบเอ็ดถึงวันนี้ก็สิบปีนี่ 6, 6มันหกหกหนึ่งสิบปีพฤษภาเหมือนกันสิบปีพอดีสิบปีนิด ๆ, ๆไปๆไปฏิบัติที่นั่นอาจารย์มาสุดินก็ไปฝากกับอาจารย์คมกฤษบอกว่านี่นะช่วยดูแลหน่อยพระรูปนี้ขยันมากเลยมาบอก เพราะว่าเดินอยู่ด้วยกันเขาก็รู้เนี่ยไปที่วัดพรมนิเดินอยู่กันไปเตือนปฏิบัติไปปฏิบัติไปอุสภาวราธรร ม, มก็เกิดเลยเนาะเดี๋ยวก็มีเสียงมาอยู่ข้างๆใจนะเป็นเสียงเพลงเสียงเพลงที่ที่เราชอบสมัยก่อนเหมือนกับมีวิธทยุมาเปิดไว้เราก็ เปิดจนําคาญเนอะมันเปิดของมันเองเราก็ไม่ใช่ว่าเออเราคิดเพื่อจะให้มันเปิดให้มันเออไปคิดเรื่องเก่าเก่าเรื่องเรื่องว่าเราเคยไปฟังเสียงที่ไหนไม่ไปได้เป็นอย่างนั้นเขาเป็นของเขาเองอยู่ๆเขาก็ขึ้นมาข้างๆใจมาให้เราฟังเดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ขึ้นมาไอเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรหลายอย่างมากมายแต่เอาเท่าที่จําได้เนาะปฏิบัติ สายทังแพร่ทังเจียนก็คือกระทบรู้กนระทบรู้ยากมากอาตมาเห็เนื่องจากเป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดอาตมาจะทําไงดูบ้างมองไปไกลๆหมายว่ามองต้นไม้ไปไกลที่สุดเลยแล้วให้ให้เห็นเท้าเนี่ยมันเคลื่อนเรารู้แต่เราไม่รู้หรอกนะคือมันกระทบรู้อ่ะแต่เราก็ ตามนั้นเน่ะทำอย่างนั้นอยู่สามปีแต่ว่าพอทําแบบนั้นไอ้ตัวรู้มันก็เริ่มเกิดไงมันก็เริ่มเริ่มรู้เริ่มรู้รแต่ก็ยังไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นน่ะสามปีแรกมันก็ดีขึ้นตรงที่ว่ามันก็เป็นลักษณะฌานเนาะแต่ว่าเป็นฌานนปริพสนะคือหมายความว่ามันต่อเนื่องนะมันต่อเนื่องมันต่อเนื่องต่อเนื่อ ง, อองแล้วก็มันก็เป็นก็จะเห็นเลยว่า คุณสมบัติของฌานที่หนึ่งมันก็จะมีวิตกวิจารปิติสุขเอก็าตามันก็จะเห็นเป็นตัวเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตัวแบบนี้นะวันที่หนึ่งก็ได้ฌานหนึ่งวันที่2ก็ได้ฌาน2วันที่สามก็ได้ฌานสามาันที่สเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนที่เรามาปฏิบัติที่ในสัตว์หรือว่านอนอก็ก็จะฝันไปก็จะมาบอกว่านี้นะ pink, ท่านได้ฌ า, า, านที่หนึ่งแล้วนะสองแล้วนะสอันนี้ยังไม่เชื่อนะอันนี้คือประสบการณ์รายฟังติดเล่นฌานอยู่ประมาณ เดินครึ่งคือมันสนุกไงมันเล่นอยู่กับฌานไอ้เนี่ยอาการมันจะมันจะมันจะดีอ่ะนะมันจะดีทีนี้ใครไม่รู้อาจจะฟังเทพหรืออะไรก็แล้วแต่ทิ้งมันเพราะทิ้งมันไปปั๊บเนี่ยมันก็เลยเห็นรูปนามในสายของหลวพเทียมที่ในโบสบทบทถ์ไม้อะนะก็เดินเดินไปเดินเดินไปเดินเดิมาจริงจริงทำทั้งวันจริงจริงทำทุกวันเลยนะไม่ใยกว่าพิ่งทำ มันไม่เห็นนะมันเหมือนว่าปกติเนี่ยเราก็จะเห็นน้ำอยู่หยดหนึ่งนะวางที่พื้นเราก็เห็นธรรมดาไปก็เดินไปก็เห็นน้ำหยดหนึ่งมาก็เห็นน้ำหยดแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเข้าไปดูน้ำอันเนี้ยมันขยายพันเท่าหมื่นเท่าเราเนี่ยกำลังเดินอยู่อย่างเนี้ยแต่สิ่งที่เห็นก็คือ มันไปเห็นว่ามีคนคนหนึ่งมันก็คล้ายๆกับที่ว่าพุทโธนะข้างกําลังมีคนคนหนึ่งกําลังดูกายเนี่ยที่มันกําลังก้าวไปก้าวไปไม่ว่ากายทีย่ก้าวไปที่ไหนจิตมันจะตามไปตลอดเลยมันเหมือนกันกันกบจจดุลนอมิธีอ่ะหรืออะไรอ่ะที่เวลา สมมติว่าเป้าเนี่ยไปอยู่ทางไหนก็แล้วแต่เนี่ย ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไอไอไอไอไออาวุธของเขาเนี่ยมันจะตามไปหมดเลยอ่ะลักษณะแบบนั้นเลยคือไม่ว่ากายนี่มันจะเคลื่อนไปยังไงเนี่ยจิตมันจะตามดูดูดู ด, ด, ด, ดูมันไม่มีที่ที่จะมีระหว่างเลยแต่มันเห็นแป๊บเดียวแล้วมาออกมาเหมือนเดิมคือเห็นจินนามอย่างเก่าเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะอย่างนี้หลายครั้งบ่อยมากเขามาบ่อยมาก คือไม่ได้เห็นแค่นี้อย่างเดียวนะมันเห็นเฉพาะว่าทำอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเฉพาะอันนี้อย่างเดียวที่เห็นอมาดูว่าผู้ได้ฟังเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องทําอยู่ที่นั่นประมาณสี่ปีอาจารย์คงปริกเนบอกว่าท่านออกไปข้างนอกได้แล้วคําว่าออกไปข้างนอกก็คือให้ออกไปกําหนดนอกรูปแบบได้แล้วคือข้างในเนี่ยมันเหมือนกับว่า พื้นดินเนี่ยใต้พื้นดินเนี่ยเราทําสมบูรณ์แล้วมเมล็ดของมันงอกขึ้นมาเหนือดินเหนือดินก็คือต้องไปฝึกในนอกรูนอกรูกกแบบให้มันเป็นให้มันให้มันมีความให้มัน ม, มีสติมีความรู้สึกเหนือทั่วพร้อมเพราะนั้นนั้นเราทำได้แต่ในรูปแบบนอกรูปแบบทําไม่ได้ทําไมจึงบอกว่าในข้างในมันสมบูรณ์เพราะว่าภาพที่จะเกิดขึ้นในใจ เจอะมากแล้วมาบ่อยหลายครั้งมาเหมือนกับฟิล์มหนังสมัยก่อนอะ่ะเดี๋ยวภาพนี้มาไปภาพนี้มาอีกภาพนี้มาอีกมันเป็นแบบนั้นเลยแล้วมันเป็นบ่อยหลายครั้งมากเราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเกิดเกิดเพราะอะไรตอนหลังยังไง ร, รู้ไหมมันเกิดบ่อยเจนกระทั่งในที่อาจารย์ท่านบอกอะ่ะมันเหมือนกับทีแรกเราเดินทางไปเราก็เหมือนดอกไม้มันสวยเราก็ดู มันบ่อยมากจนกระทั่งเราไม่อยากดูมาแล้วคือมันกลายเป็นเฉยๆอะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองให้เรามาวางภาพที่อยู่ในใจให้มาวางเสียงที่อยู่ในใจกลิ่นที่อยู่ในใจรสที่อยู่ในใจสัมผัสที่อยู่ในใจและวางปัจจุบันที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเลียมเลีมรสกายสัมผัสจิตใ จ, ใจในึกคิด นีขาให้มาวางตรงนี้ไอเราไม่เข้าใจโอแต่กว่าจะวางพวกนี้ได้นะโอเราเคยทําผิดอนะพอพอปอยภาพที่มันทําผิดมันเกิดขึ้นในใจใจมันก็หมองอนะ่ะมันเศร้านะอ่ะนี่มันจะทําไงดีทําไงรู้ไหม<อ>ด้วยบุญที่เราทําไว้เนี่ยขอแผ่ให้กับคนที่เราไปทําไว้ไปก่อกวามทําเข็งกับเขาไว้อ่ะนะในชาตินี้ด้วยมันเยอะหลายกรณีมากเลย ขอให้เขาเนี่ยอย่างเช่นว่าที่เราเบี้ยวเงินเขาเนี่ยขอให้เขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองกว่านี้สิบเท่าแล้วก็ให้เทวดาไปบอกด้วยว่าอันนี้เป็นผลบุญที่อัตมาส่งไปให้นะเพราะมันมันรู้สึกผิดในใจนะอันนี้หลายเรื่องเนี่ยหลายคนก็หลายคนก็คงจะมีประสบการณ์แบบนี้มันรู้สึกผิดในใจจนกระทั่งมันวางวางในระดับหนึ่ง พอมันวางในระดับหนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่มันงอกขึ้นมาจากเนือพื้นดินมันก็เริ่มที่จะมาเห็นอาการคือกาหนดอัตมากาหนดนอกรูปแบบด้วยนะคือตั้งแต่วันแรกๆเลยเพราะว่าอาจารย์ท่านสอนไงไม่เอาแต่ในรูปแบบน น, นอกรูปแบบเวลาเดินเดินไปกับกบติก็ดีเดินมาที่กติเดินมาที่ศาลาก็ดีอะไรเงี้ยต้องให้รู้กาหนดรู้กาหนดรู้ แต่มันไม่เป็นเพราะมันมันมันเพ่งไงพีอยู่ทุกทีเลยจะเข้าห้องน้ำก็บอกให้มือบิดประตูแล้วให้รู้ให้รู้เพง่งโอ้โหทำไม่ได้เลยทำเมื่อไหร่นี่น่ะมันทุกเมื่อนั้นเลยไม่ได้ทำไม่ได้พยายามแล้วทำไม่ได้แต่ตอนหลังทำคือเขาเรียกว่ากำหนดสร้างความสร้างจังหวะนอกรูปแบบ เขามาก็ใช้วิธีกันอย่างนี้นะใช้ ช, ชนิวอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็ขยับนิ้วข้อเท้าบางข้อมือบางแล้วก็จับขยับนิ้วเท้าบ้างคืมรู้รู้รู้รทาอยู่สี่ปีถึงจะรู้จริงๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันรู้เลยนะไม่ใช่ทําเวลาสมมติว่าเราขึ้นรถถัวรถไหนเราก็กระดิกนิ้วทํวาอบททํำทำท ำ, ทำ ใ น, yes ในรูปแบบก็ทํานะทําด้วยนิ้วอย่างนี้ขยับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้ามันเมื่อยนะนี่นี่นี่นนี่บางนี่บางนี่บ้างนะนี่ก็ตรงนี toujours, bu, hago, she to ittee, ้บางนี่ก็เท้าบางเมื่อทีเราเราสวดมนต์นะเราก็ใช้เท้าเนาะขยับขยับบางคนก็บอกว่าไม่สุภาพเขาไม่เข้าใจว่าเราทําอะไรขยับนิ้วเท้าบางข้อเท้าบางแล้วแต่คือให้มันให้มันมีอาการที่มันการเคลื่อนไหวแล้วเราก็ไปรู้ตรงนั้น ทำอยู่หลายปีกว่าจะกว่าจะรู้รู้จริงๆนะรู้จริงจริงธรรมก็เลยว่าเอแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมามาเมื่อปีปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วจริงๆก็ทำมาตลอดนะทำมาตลอดสิปีก็ไม่เคยทิ้งเพราะเห็นเห็นประโยชน์บางช่วงก่อนเรามามาที่ศาลาที่เราปฏิบัติธรรมเสร็จเรากลับไป อาจจะมีคำพูดบางคงหรืออาจจะเห็นอะไรที่เราไม่พอใจแล้วมันติดอยู่ที่ใจไงมันเอาไม่ออกมันก็ลุกสอนด้วยวันมันเดินจงกลมเดินเดินเดินเดินมันหายไอความโกรธมันหายไปจากจิตมันก็ไม่ไม่เคยโกรธมาก่อนเลยอ๋อแล้วก็เอ๊ะทาไมแต่ก่อนนี้เระเดินจงกลมที่วัดแพรแสงเทียนนะประมาณสีห้าชั่วโมงนะ มันคิดไปเลยมันคิดมั่งง่วงมั่งพอจะมา่าจะมารู้เท้าเนี่ยที่มันเคลื่อนมันกระทบเนี่ยประมาณได้ประมาณสักห้านาทีหรือสินาทีก็ตีเป้งเป่งเป่งคือนัปะนะประมาณห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นช่วงนั้นคือก็สลับตอนนี้เป็นอย่างนี้ทุกวันนี่ตอนนี้เข้าใจแล้วอ๋จิตเราไม่มีกำลัง จิตของเราเนี่ยมันไม่มีกำลังต้องอดทนโอ้โหทนมากเลยพั้งอึดอาจขาดเครื่องแต่ตอนนี้มันออกได้เร็วไยเพราะว่ามันมันกำหนดรู้ที่อาการที่มันเคลื่อนมันไว้ได้ได้จริงๆพอมันได้ปัจยายสิ่งเหล่านี้มันหายหมดเลยมันหายไปได้ยังไงอันนี้ก็สภาวะมันเหมือนกับไอหยดน้ำแบบเดียวกันนั้นนะนะ มันเข้าไปดูนะเข้าไปดูลักษณะแบบเหมือนกับแว่นขยายหรือกล้องอะไรก็แล้วแต่เข้าไปขยายประมาณเป็นพันเท่าหมื0นเท่าเข้าไปขยายว่าอย่างนี้จิตปกติเนี่ยเราเร า, เราก็จะสมมติว่าความโกรธมันมันมาอยู่ที่จิตแนวเขารู้ว่าจริงๆเนี่ยต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าจิตเนี่ยมันเหมือนกับผ้าขาวจิตเนี่ยมันเฉย ยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราจะเฉยใช่ไหมเราจะเฉยแจามใสพอมีใครพูดด่าเข้ามาเปลี่ยนเลยจิตเราโกรธเลยเหมือนกันจิตอยู่เฉยเหมือนผ้าขาวแต่พอไปกระทบกับความโกรธเหมือนสีแดงเอาสีแดงผสมจิตกลายเป็นผ้าสีแดงความโรคเข้ามาหรือกำหนัดความกำหนัดก็ได้ความกำหนัดก็ได้เป็นสีเขียว สีเขียวมันมาผสมกับผ้ากลายเป็นผ้าสีเขียวแต่โมหนะมีอยู่แล้วทุกอันแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นสีน้ําเงินผสมเข้าไปมันก็กลายเป็นผ้าสีน้ําเงินเหมือนเหมือ น, นกันตอนนี้เราเราเร า, เรามีความโกรธจิตกับความโกรธมนรวมกันแล้วตอนนี้กลายเป็นจิตที่มีโทสะอย่างนี้เราทุกทุกคนจะมีประสบการณ์เหมือนกันหมดก็คือพอมันโกรธ เดี๋ยวมันก็มาถูกไหมภาพของคนที่เราโกรธก็ดีเสียงก็ดีเรืออะไรก็แล้วแต่จะมามาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวก็มาอีกแต่มาบ่อยๆเพราะจิตเรายังโรกรธเรายังไม่วางทีนี้พอไปปฏิบัติธรรมไปเก็บอารมณ์มันได้อารมณ์ละเอียดละเอียมองเห็นว่าเมื่อจิตมาอยู่ที่การเคลื่อนรู้เนะี่ยจิตนี่นะ เอานี่เป็นจิตนะมันใสๆอันนี้เป็นเป็นตัวเคลื่อนรู้จิตเนี่ยมาอยู่ที่การเคลื่อนรู้เนี่ยร้อยเปอร์เซนอันนี้เป็นความโกรธความโปวดเขาแก้กับเข้ามาเรื่อยเนะี่ยเข้ามาเสร็จตายอีกเดี๋ยวมาอีกเพราะมันเกิดและดับจิตเนี่ยที่มันโกรธเพราะว่าจิตมันไปอยู่อย่างนี้แต่เราพยายาม เพื่อนรู้เือนจนนทั้งจิตไปอยู่ที่ร้อยปอันนี้ก็มาเหมือนเดิมเขาก็มาเหมือนเดิมที่เห็นนะตามที่ที่ว่าจิตไม่เสพสองสามขณะความโกรธอันนี้มันหายไปเลยตามที่เห็ น, นโอ้สายหลวระ่เทียนนี่ขนาดนี้เลยเลยนนี่เขาละทุกกันอย่างนี้เหรอ มันก็เกิดความอัศจรรย์เนาะโอ้ทุก็นอย่างนี้เหรอเนี่ยการที่เราเข้าไปเห็นนี้ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นไงว่าสายลมวัฏฏีนเนี่ยทำไมเรายกมือยกมืออยู่เนี่ยเอ๊ะทาไมไอ้ความโกรธมันหายไปสมมติใครที่ที่เห็นนะที่วัดแม่แสงเทียนเขามันก็ถูกโกงนะ เขาไปฆ่าตัวตายกระโดดลงไปในในบ่อน้ำแล้วทีนี้เขาก็กลัวตายก็ขึ้นมาที่ก็เป็นเพื่อนกับเขาโทษนะอยู่วินัะที่ทำอันนี้เขาเขากลุ่มเดียวกันเขาทำอยู่เจ็ดวันเขาบอกว่าเขาไม่คิดเลยเรื่องนี้เรื่องการคิดฆ่าตัวตายหรือว่าเรื่องของของที่เขาถูกโกงถูกเลยมันหายไปเลยประมาณนี้นะ หรือทุกอย่างเนี่ยทุกๆอย่างทุกชนิดในโลกเนี้ยมันหายไปเลยด้วยการทําอย่างเงี้ยแต่ทําให้มาถูกน่าเป็นอย่างนี้นะอัตมาเคยคิดอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวไอ้คนที่มันคิดจะฆ่าตัวตายทั้งหมดเนี่ยต้องเอามาปฏิบัติธรรมแล้วบอกว่าภายในเจ็ดวันหายหมดเลยนีคิดขนาดนั้นเลยนะความที่เชื่อว่าวิธีการของหลวงพ่ปปเทียนเนี่ยมันดีขนาดนี้ แล้วกล้าท้าด้วยเจ็ดวันเองไม่ต้องเยอะจริงๆมันก่อนเจ็ดวันด้วยซ้บไปถ้าทำถูกอ่ะมันหายไปเลยอามาคิดจะทําอย่างนั้นเลยนะเพราะความที่เห็นไอ้ความดีของที่ที่หลวงพ่อที่วิธีการของหลวงพ่อเทียนจริงๆแล้ว ม, มันก็จริงๆนะมันมีเอานี่นี่คือกรณีที่สองที่เห็นนะเพราะจะเอามาแค่บางอย่างที่เราจะได้เข้าใจอาตมาทําอย่างนี้ไอ้ที่วิธีการมัน ที่ว่ากระทบโลโระุมันซับซ้อนในความคิดของอาตมาปีบีห้าห้าสามห้าสี่ไปเก็บอารมณ์สามเดือนพร้อมก่อนหลวงปู่จำเนียนซึ่งเข้ามาก่อนอาตมาประมาณสักสิบห้าวันอะรยา้าให้จไม่ผิดท่านก็ขอเก็บอารมณ์ในพรรษาสามเดือนอาตมาก็ตามหลวงปูอ่อาตมาก็สามเดือนเหมือนกันเข้าไปค้นตัวนี้แหละ ครูบาอาจารย์บอกว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนความรู้สึกตัวคือการเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกตัวคือจิตหรือความรู้สึกตัวคือไอความโกรธความอารมณ์ทุกอารมณ์อารมณ์ทุกยาอารมณ์หร่าการเห็นการได้ยินอะไรหรือเข้าไปคนคนไปคนมาเจอสามเดือน เก็บอารมณ์เชื่อว่าความรู้สึกตัวคือการเคลื่อนไหวและรู้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยวิธีอื่นจะทำไม่ได้นะทำได้แต่เฉพาะหลวงพ่อเทียนอย่างเดียวคืออย่างนี้ เรียวอออุออปกรณ์ขอขันแล้วก็ขอไอ้ที่ตีนะไอ้ข้างหลังมันจะเห็นชัดว่าตัวอันใหญ่อันใหญ่นะจะบอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ระฆังนี่ไงน่าระฆังนะนี่คือไม้ตีระฆัง ถามว่าเสียงะระฆังเนี่ยมันอยู่ที่ะระฆังหรือเปล่าหรืออยู่ที่ไม้หรือเปล่าเสียงะระฆังมันอยู่ที่ไหนเสียงเมื่อกี้เนี่ยอ่ะอะอะอยู่ที่การกระทบเอาใครใครเป็นอย่างอื่นบ้างถูกแล้วอยู่ที่การกระทบอันนี้คือกาย คือการเคลื่อนการไหวอันนี้คือใจเมื่อใจมารู้การกระทบหนึ่งครั้งเขาเรียกความรู้สึกตัวหนึ่งครั้งนี่ความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวหรือจะเรียกว่าสติก็ได้ความรู้สึกตัวตัวนี้มันจะเริ่มพัฒนาจากไม่รู้อะไรเลยจนรู้หนึ่งครั้งสองครั้งสติ อันนี้ก็จะจะเปลี่ยนต่อไปเป็นสมาธิอันเดียวกันนะอันเดียวกันคือไอ้ตัวความรู้สึกตัวนี้เนะี่มันจะแปลงเป็นสมาธิเมื่อมันขอโทษเมื่อเขาถี่ขึ้นเขาจะกลายเป็นสมาธิและเมื่อถีขึ้นไปอีกเขาจะกลายเป็นปัญญาคือมันเามือนแปลงตัวได้แต่ก็คือความรู้สึกตัวที่เป็นขณนะขณะขณะ ที่ครูอาจารย์บอกไว้แล้วนะว่ากายกับการเคลื่อนไหวของกายอันเดียวกันหรือคนละอั น, อนคนละอันชัดเจนแล้วนะสายนี้ที่เห็นเพ่งเพราะไปเพ่งที่กายไปเพ่งที่กาย บอกไว้ก่อนเลยที่เพ่งเพ่งทั้งหลายเนี่ยนะเพราะเขาวางใจผิดเพราะเขาไม่ไปดูอาการเคลื่อนอาการไหวของกายอันนี้ฟันธงนะจากประสบการณ์เลยแก่มาเยอะแล้วอาตมาแก้ให้กับโยมเนี่ยมาเยอะแล้วเขาบอกว่าอาจารย์มันเพ่งทําไงเนี่ยผมฉันไม่รู้จะทําไงครูบาอาจารย์ตอบไม่ได้ อาทำไมต้องเดินไปหาเขาที่เขาปฏิบัติโยมโยมทํำยังไงโยมทําอย่างนี้ดิไม่ถึงสิบนาทีเขาบอกโลกไปถึงศรีรษะเลยวางใจผิดที่เขาเพ่งมาตลอดตลอดการปฏิบัติของเขากี่ปีก็ตามเป็นอย่างนั้นเพราะวางใจผิด โยมจะได้เข้าใจต้องรู้ที่การเคลื่อนการไหวและไอตัวการเคลื่อนการไหวนี่แหละเขาเรียกว่าแต่ไม่ใช่ต้องไปรู้เขานะเขาเรียกว่าทบนะแต่เจาะเฉยเฉยว่าการเคลื่อนไหวรู้การเคลื่อนไหวเนี่ยการเคลื่อนไหวรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่ามันรู้มันพร้อมกันไงพร้อมกันเหมือนกันที่เราเรากำมือแ บ, บมือที่อยู่อยู่ข้างหลังลนะนะมันพร้อมอย่างนั้นเลย คือมันแบมือมันก็รู้กรรมมือมันก็รู้ใช่ไหมที่เราเคยทากันนะมันรู้พร้อมกันแล้วไม่ต้องไม่ต้องบอกว่ามันกรรมหนอแบมหนอใช่ไหมมันรู้เลยถูกไหมไอ้ที่เราจะไปกรรมหนอแบหนอนแทนที่เราจะไปดูที่อาการของมันเนี่ยมันกลายไปดูที่การการพูดพูดได้ใจที่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นสติตัวปลอมเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเขาเนี่ยไปคิดเอาว่าเขารู้จริงๆตัวที่รู้จริงๆกายเนี่ยไอ้การขึ้นไหวมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้แต่เวลาเราไปกำหนดเนี่ยเราไปกหนดที่ใจไปกำหนดที่ไออาจจะเป็นคำพูดก็ดีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้โยมทั้งหลายลองไปสังเกต ด, ดูในวันนี้ว่าโยมทั้งหลายเนี่ยกำหนดอย่างที่อาจมาพูดหรือเปล่า มันเป็นกำหนดที่ใจใจมันไปสร้างอารมณ์ขึ้นมาสายมันบอกว่าอันนี้นะตัวรู้อยู่ตรงนี้นะให้ทำตรงนี้นะแต่จริงไม่ใช่นี่ตัวรู้มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้ใจเนะี่ยมาอยู่ตรงนี้โยมลองดูสิมันไม่ใช่นะนั่นแหละคือสติตัวป้อมนะอันนี้อาตมาก็จะพูดให้ฟังเป็นลักษณะคร่าวๆเนาะ เพราะว่าจริงๆมันต้องบัญชีอย่างนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เล่าฟังแปบ น, นี้ปีหกศูนเพราะตัวนี้ตัวเดียวนะถามโยมพิกุลเพราะว่าโยมพิกุลเข้ามาที่ร้อยร้อยวันของพ่อเราเราจะมีพูดตอนกลางวันตั้งป่าความรู้สึกตัวเนี่ยคือมันจะต้อง คือความรู้สึกตัวเนี้ทําให้ได้เป็นพระโสดาบันใช่ไหมความรู้สึกตัวนี้ทําให้เป็นพระสกทาคามีใช่ไหมอันตรมาถามอย่างนี้เลยนะความรู้สึกตัวทําให้เป็นพระนาคามีใช่ไหมความรู้สึกตัวทําให้เป็นพระหันใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ไปฟังเทศอยู่ได้แล้วเขาเปรียบให้ด้วยนะว่าอนุบาลก็ต้องเรียนสละเพะื่อชนะใช่ไหมถูกไหม ปรถมก็ต้องเหมือนเดิมถูกมก็คือการอ่านกอไก่ข้อไข่ข้อขวดมาผสมกันถูกไแต่มันก็คือพระยชนกนสละนั่นมัธยมก็เรียนตัวนี้ถูกมอุดมศึกษาก็เรียนตัวนี้ปริญญาตรีตัวเอกด็อกเตอร์ก็เรียนตรงนี้นี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกปีหกศูนย์ปีที่แล้ว จังภาษายุวแพทย์แสงเทียนก็อย่างนี้แหละอาจารย์ท่านบอกว่าให้รู้สึกตัวอย่างเดียวทําอย่างเดียวก็ทําอย่างเนี้ยอยูย่ๆมันก็เหมือนกับว่ามีอะไรที่จิตมันหลุดไปมันหลุดไปแต่ว่ามันเป็นหนึ่งขณะนะขณะเดียวแต่หลังจากนั้นในผลมันเกิดมันเกิดยังไงรู้ไหมเกิดว่าจิตเนี่ย เราอยากจะให้มันไปทําชั่วเช่นว่าให้มันไปฆ่าสัตว์จิตมันไม่ไปเลยนะมันไม่ไปเลยนะมันไม่ไปแบบถาวรอัตมาบอกไม่ถูกแต่อาตมาเล่าให้ฟังว่าได้มันเป็นี้มีคนเนี่ยเขากำลังจะมาเชืิดคอเรานะฆ่าสัตว์นะมัาฆ่าไปฆ่าสัตว์ต้องยอมให้เขาฆ่าต้องยอมให้เขาตัดคอความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้น มันไม่ได้คือมันไม่ได้เห็นน่ะแต่มันเป็นน่ะมันเป็นโดยที่ว่ามันไม่ได้เราไม่ต้องไปทํามันอีกแล้วอ่ะประมาณอย่างเงี้ยอ้อไอ้ศีลปรมัตา์มันเป็นอย่างนี้นี่เองที่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าศีลปรมตจารมต์คือมันใจมันจะไม่กลับไปเป็นอีกเลยตลอดกาลมันเป็นลักษณะแบบนี้ก็เออ อันนี้มีอันเองก็บอกว่ามรู้สึกก็บอกว่าไม่ว่าเราจะยุ่งอยู่กับอะไรก็แล้วแต่อารมณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตมันจะไม่ไปยุ่งไปอะไรมันก็เป็นลักษณะอะไรแบบนี้นะซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นจะมามีสองอย่างไอ้ที่เห็นแวบๆที่ว่าเราเห็นครูบาอาจารย์หลายท่านพูดขยับก็รู้ก็เลยรู้มันรู้แบบมันเป็นเองนะ ทำให้เป็นแบบเดียวจริงๆเนี่ยมันเป็นผลบอกตรงๆเหตุก็คือต้องมาทำตัวนี้เนี่ยตัวไอ้ไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกตัวเนี่ยตัวเดียวจนกระทั่งมันเป็นเองถ้าหลายคนไปเสียเวลากับการที่ไปทาอย่างนั้นนะเอาผลนะเอาไปเอาผลมาทำนะอตัตมาเข้าใจว่ามันจะเสียเวลา ทำอย่างเดียวนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวรู้สึกตัวอย่างเนี้ยเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกแล้วว่าไอ้ความรู้สึกตัวอันนี้แหละคือขนทางที่จะบรรลุธรรมไม่ได้ไปบอกว่าผู้ดูดูแล้วดูดูกายเวทนาจิตธรรมแล้วจะบรรลุธรรมไม่ได้พูดอย่าไปหลงประเด็น เราบลงประเด็นมันจะช้าการไปเป็นผู้ดูไปด้วยนั่นไหนนี่นั่นแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเบื่อแล้วมันจะตัดไม่ไม่มได้เป็นอย่างนั้นมันอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยตัวนี้เนะี่ยสติมันจะแปลงเป็นสมาธิแล้วมันจะแปลงเป็นปัญญาแล้วมันจะแปลงเป็นญาณมรรคญาณ เชื่อเขได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดบังเข้าไปเชื่อแต่ว่าถ้าทําทําไม่ถูกมันก็ช้าหน่อยเนาะชาตินี้จะบรรลุหรือเปล่าไม่ร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ู้นะอย่างเงี้ยธรรมะก็พูดประสบการณ์ให้ฟังจริงๆมันเยอะแต่ว่าเอาที่จําได้ที่พอจะพูดให้ได้อยู่ในเวลานธรรมาก็จะเห็นว่าพอสมควรเกี่ยเวลาเนาะ ธรรมก็จเขอให้โยนทั้งหลายเนาะตั้งใจปฏิบัติวันนี้พูดเรื่องธรรมบัตก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนของการที่ว่าเราจะได้ไดบรรลุธรรมเดิมต้องด้วยความเปลี่ย น, นเลื่มีไม่ได้เลยสําหรับความเปลี่ย น, นเลื่อนขอให้ท่านโยนทั้งหลายทั้งก็ พ, พระภิกษุสมเนนที่ตั้งใจปฏิบัติให้ปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นสภาวะธรรมมากยิ่งขึ้นไป แล้วก็ขอให้ได้บรรลุพระพิติพันธ์ด้วยการทุกทุกคนทุกท่านใ น, นชาติปัจจุบันนี้เลยสาธุสาธุสาธุ ทำผิดนี่ไว้ใจสิรุ่นอัตมาประสบการณ์ที่ทำแล้วมันผิดนี่ไว้ใจสิสายหลวงพเถียนรุ่นรุ่นอัตมานี่เลยเชี่ยวชาญทั้งนั้นเลยอัตมาก็เชี่ยวชาญมากกับการวางใจผิดนี่อาจารย์นวลตอบย้ำอีกโลมีเห็นไหมมันผีเราไปทําผิดพรประสบการณ์แบบนี้แหละในช่วงหนึ่งที่เราไป เขาแพร่แสงเทียนเนี่ยประมาณปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งละในรุ่นก่อนๆพื้นฐานของผู้คนแล้วก็ข้อมูลแบบวิชาการในแบบของพระเทียนเนี่ยมันยังไม่ยังไม่เยอะความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวนาภาษามันยังไม่ผ่านหูเราเยอะนะเรายังไม่มีสัญญาเยอะเพราะเรามีสัญญามากเข้าผู้คนผ่านยุคผ่านสมัยพื้นฐานสังคมพื้นฐานความเร็วพื้นฐานของสงิ่งต่างๆมาทําให้ ตัวปัจจัยประกอบมือความเป็นคนในแต่ละยุคนไม่เหมือนกันคนในยุคเก่าๆ เ, เขาใช้ภาษาแค่รู้สึกตัวเขารู้ทันทีว่าตัวไหนรู้ซื่อๆรู้สัมผัสรู้รู้สึกตัวไม่ใช่คิดรู้นะเขารู้ทันทีว่าตัวไหนเครื่อนรู้เขารู้ทันทีว่าตัวไหนแต่พอผ่านยุคผ่านสมัยบางคนที่มันใช้ฐานสมองมากๆเราแปลสัญญาณตัวเนี้ยผิด เราไปเพ่งจ้องใส่กายแล้วเราคิดแยกไม่ออกระหว่างสัมผัสรู้กับคิดรู้ประเด็นหนึ่งที่ในครอนี้พยายามแยกให้ฟังกายอาการกายเราใช้อาการของกายการรู้สึกคือส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอาการของกายเพื่อเป็นเครื่องรับรู้เพื่อสร้างธรรมชาติรับรู้ก็สิ่งที่เรียกว่ารู้สึกตัวเนี่ยถ้าแน่นยำมาเนี่ยจะไม่เสียเวลาเยอะ รุ่นพระกตมานะด้วยระความที่เราเข้าไปกันในยุคนั้นนะยุคที่มีอาจารย์มหาหมอ่อร่วมด้วยอยู่ในพรรษาด้วยกันที่แพรนีก่อน น, นนั้นก็จะมีรุ่นพี่ๆมาก่อนพอไล่มาถึงรุ่นอันตมาเนี่ยภาพจะเยอะขึ้นภาพในตอนนั้นนะสิบสิบคนลูกที่ร่วมด้วยร่วมด้วยกันหลังจากยุคลุงพ่อมหายุคครูบาอาจารย์ยุคลุงพ่อมหาจะไปทํางานต่างประเทศ ที่แพร่แสงเทียนก็จะมีผ้าเวียนไปเวียนมาแต่จะมาที่ช่วงจังหวะที่จะมาเก็บอยู่ยาวๆด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีมีมาในยุคอาตมานี้เนี่ย ย, ยุคอาตมายุคกัจรย์มหามอ่อเพื่อนร่วมรุ่นตายไปแล้วสองตายแบบตายจริงๆนะหลวงปู่อายุเจ็ดสิบสามขวัญใจของรุ่นหลวงปู่อายุเจ็ดสิบสามเดินไปเท้าทั้งแต่ เดินไปเตะอะไรเข้าไม่รู้เลือดไหลวันนีป้ปเท้าท่านแตกท่านเอาผ้ากเก่ามาพันพั น, พนเดิน ย, ย่อบแยกย่อบ ย, ยกรู้สึกตัวต่อว่าเราเป็นพระมาหานั้นนี่ยอมแพ้ได้ยังไงผ่านไปีทีหนึ่งพระรุ่นน้องพึ่งบวทใหม่ยังเป็นเนนอยู่เลยตอนไปใหม่ๆพระรุ่นน้องเป็นเนนอยู่เลยเดินจงกรมอู้แต่ละคนเอาจริงเอาจังบรรยากาศของการเอาจริงเอาจังครูบาอาจารย์ท่านก็สนุกพอมีลูกศิษย์ลูกหาในยุคมีวัตถุดิบมาให้ทดลอง ท่นให้ทำความเพียรเต็ที่ผ่อนคล้ายหาเทคนิควิธีการนนั้นวิธีการนี้พอผ่านไปได้สักพักหนึ่งด้วยความที่พวกเราเอาจริงเอาจังด้วยความที่พวกเราตั้งมั่นแล้วก็มีเพื่อนรุ่นรุ่มมนมาสนุกกับการภาวนาสนุกกับการภาวนาช่วงต้นเราจะสัมผัสอารมณ์ได้ดีสัมผัสความรู้สึกตัวได้ชัดแต่พอเราเริ่มสัมผัสอารมณ์ได้เราจะกายจะฉันทะความพอใจความยินดีที่จะทําเป็นความอยากทีเนี้ยจดพลาดอยู่ตรงนี้พวกเราทุกคนจนะเจอทุกคนเลย ไปคอร์ดแรกอ่รู้สึกตัวดีนะไปภาวนาที่ไหนคอร์ดใหม่ๆเนี่ยเราจะเราจะภาวนาได้อโล่งง่ายเพราะเรายังไม่รู้เยอะยังไม่อยากเยอะแต่พอเราสัมผัสความรู้สึกตัวช้าๆผ่านความคิดออกมาเป็นความโล่งบางคนน่ะบางคนผ่านความว่วงออกมาเป็นความตื่นโล่งตื่นกายตื่นใจเนี่ยเราจะตั้งใจมากขึ้นครูบาอาจารย์ก็จะบอกอย่าไปเพ่งนะปล่อยนะทําแล้วทิ้งนะทําแล้วทิ้งนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่ไม่ลงถึงใจสักที เดินไปเอาตลอดบังคับตลอดเพ่งจ้องให้มันได้เยอะขึ้นถ้าไปทามากลายเป็นบังคับกดเก่งเพ่งจ้องแล้วเราเริ่มผิดเริ่มเพี้ยนครูบาอาจารย์พยายามแก้พยายามปรับมาผ่านยุคผ่านสมัยมากเข้าสิ่งเหล่านี้เมื่อผ่านการทดลองอย่างจริงจังต่อเนื่องอย่างยาวนานตื่นเช้ามาตีสามธรรมวัดตีสามคึ่งออกมินทบารเสร็จเอาบาตรมาตั้งขึ้นรานจงกรมที่อาจารย์งดงสินป์ท่านพูดวัก่อนเนี่ย กิจวัตรตั้งแต่รุ่นรุ่นอาจารย์ศักดิ์ารุ่นอาจารย์เกษิ น, ส, นส่งต่อมารุ่นจนถึงรุ่นพรก อ, อัตามาได้รุ่นและรุ่นหลงัลงๆมาหน่อยเนี่ยยังมีข้อวัดแบบนี้เลยในยุคที่หลวงพเจนั้นตั้งในยุคที่หลวงพ่อมาตั้งกระบวนการนี้ไว้เราทําแบบนี้กันมาตลอดผ่านความเพียนผ่านความง่วงผ่านความฟุ้งและส่งต่อมาเรื่อยๆบางส่วนที่มันผิดพลาดพราวัตถุดิบรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เข้าไปกับกระบวนการแบบเนี้มีส่วนไหนที่ผิดพลาด มันกลายเป็นชุดบทเรียนให้ครูบาอาจารย์ด้วยเช่นกันครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์เกสินท่านก็เริ่มเห็นว่าตรงไหนคือจุดผิดพลาดต้องแกะตัวไหนคนพลาดตัวไหนยุคลังหลังถ้าใรรัยภาวนานานๆจะเห็นว่าท่านอาจารย์เกสินเริ่มแกะออกมาแกะตัวเหตุตัวเดียวกันเนี่ยที่อาจารย์มอมมาตอกย้ำเมื่อกี้นี้ว่ากายเราใช้อาการเคลื่อนไหวเป็นตัวสร้างธรรมชาติรู้สึกสร้างธรรมชาติของการรู้สึกตัวเนี่ยให้เกิดขึ้น ประเด็นหลักของเราระเยนอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ใช่การไปเอาความคิดไม่ใช่การไปดูไตลัดไม่ใช่การไปดูสภาวะอะไรเยอะแยะนั่นเป็นผลของการที่เราสร้างตัวรู้ที่เข้มแข็งชัดเจนมากพอมันจะเห็นทุกเรื่องทั้งกายทั้งใจโดยธรรมชาติแล้วตัวรู้เนี่ยจะพัฒนาตัวขึ้นพัฒนาตัวขึ้นสมาธิที่จนามนมรพูดเข้าใจดีๆนะระว่างสมาธิของสมถะกับวิปัสสนา ตัวรู้ที่มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแผ่ขยายทั่วกายทั่วใจเห็นเพลอคิดเห็นอาการกายเคลื่อนไหวเห็นเห็นรับรู้ต่อเนื่องต่อเนื่องเดี๋ยวก็เพลิเพลอดมันก็กลับมาแล้วกลับไปกรรมรับรู้ที่ต่อเนื่องกลายเป็นสมาธิเห็นนงต่อเนื่องต่อเนื่องเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าปัญญาเกิดพัฒนาตัวไปสู่ปัญญาเขาเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจเห็นความเป็นไปของกายของใจนั่นแหละ อันนั้นเป็นเครื่องมือเท่านั้นเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตัวนี้ศึกษาศึกษาแล้วตัวนี้ก็จะพัฒนาตัวพัฒนาตัวไปเป็นสมาธิไปเป็นปัญญาไปส่งต่อสุญานในการถอนตัณหาอุปทานโดยตามกระบวนการเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาจริงๆไม่ใช่สภาวะที่ถูกเห็นพวกนั้นเลยไม่ใช่กายไม่ใช่ใจเลยเราพัฒนาตัวรู้นี่ตัวเดียวตัวนี้เป็นมักหลักมีแค่นี้ของหลวงพเทียนน่ะ แต่ด้วยผ่านกระบวนการในช่วงไหนที่เราทําผิดเมื่โยมโชคดีนะที่ผ่านกระบวนการในยุคที่มาฟังแบบเนี้หลวงพ่อมาหาช่วงที่ท่านกลับมานะี่ยท่านเทศไม่เหมือนเดิมท่านไม่ได้ใช้เวอร์ชั่นเดิมเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเกรดมาแล้วเช่นกันหลวงพ่อมาหาก็แก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้เช่นกันครั้งแรกที่หลวงพ่อมาหากลับมาจากอเมริกาตอนนั้นอาจารย์มาอยู่แพร่เคยเข้าไปกราบท่านท่านบอกมาหา แลใช้เวท น, นาเยอะ ๆ, ๆ, อย ๆ, ๆ, ๆอย่าไปอย่าไปอยู่กับกายเยอะท่านพยายามแก้ตั้งแต่ตอนนั้นท่านเริ่มได้ข้อมูลละพรอผ่านยุคผ่านสมัยคนเริ่มทํทาผิดพลาดตรงไหนแต่ด้วยความที่ท่านไม่มีเวลาให้พวกเราท่านมีภาระหน้าที่เยอะกลับมาจากอเมริกาท่านก็ไปคอร์สนั้นคอร์สนี้จนหมดเวลาท่านก็ต้องกลับอเมริกาพวกเราตมาเน่ยจะไม่ค่อยได้เรียนกับหลวงพ่อมาหาโดยตรงเยอะนะเพราะเป็นช่นวงที่หลวงพ่อท่านไปท่า น, นมาท่านไปท่านมาแต่ยุคอาจารย์พันเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์พันธจะทัน ทุกคจะได้ได้นนเรียนกับหลวงพ่อเยอะหน่อยเดินส่วนที่หลวงพ่อพยายามปรปับออกมาเช่นกันเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาของการทําผิดพลาดคือประเด็นที่พวกอขาจมาตั้งเล่ยตั้งแต่อาจารย์เกษินที่ขึ้นมาเทศเนี่ยอาจารย์สักดาท่านแยกแยะ ข, ของนั้นของนี้ให้ฟัง เ, เพื่อให้เราหลากหลายขึ้นเนี่ยเพิ่มแก้ประเด็นความเข้าใจผิดจากำคําคําเดียวว่ารู้สึกตัวเนี่ยแปลงไปเป็นความถูกและความผิดเป็นร้อยเป็นพันได้เฉยเลย ยมโชค ด, ดีที่ผ่านกระบวนการได้ลองเห็นปัญหามาแล้วอะไรถูกอะไรผิดทําอะไรอะไรต้องละอะไรไม่ต้องทําพัฒนาตัวไหนกระบวนการเป็นไหนโยมที่คุณตั้งแต่วันตั้งแต่สิบปีก่อนก็พูดเรื่องเดียวจริงๆนะรู้สึกตัวตัวเดียวจริงๆนะั่นแหละแกย้ําอยู่เรื่องเดียวอย่าไปทําตัวอื่นอย่าไปพัฒนาตัวอื่นพัฒนาตัวรู้สึกตัวแต่พัฒนาให้ถูกพัฒนาให้ถูกในความรู้สึกตัวเนี่ย แต่รุ่นหลังๆมาที่จะแน่แก่ๆนะเพื่อพัฒนาไอ้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยให้มันถูกกระบวนการเราไม่ต้องไปคิดรู้ไม่ต้องไปพิจารณาอาสุภะไม่ต้องไปพิจารณาธาตุฝันไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเลยนั่นเป็นหน้าที่ของตัวปัญญาตัวสติที่มันพัฒนาขึ้นไปนสู่สมาธิและปัญญาเขาจะทำหน้าที่ในกระบวนการของแบบเจโตวิมุตต์แบบเจริญสติแบบหลบ พ, พ่อเทียนไม่ต้องใช้การคิดพิจารณาช่วย พัฒนาตัวเหตุในวันนั้อุตมาเทศเรื่องสากอง 1. กองเหตุสองกองกองปัจจัยประกอบคือกองตัวสภาวะธรรม3าคือกองขนเราจะไม่เน้นไปที่กองที่2และที่3เราจะเน้น ม, มาที่กองตัวแรกทำยังไงที่จะพัฒนาตัวต้นเหตุคือธรรมชาติรู้เนี่ยให้เติบโตและสมบูรณ์แบบแค่นั้นแหละที่เหลือมาจะส่งต่อสู่กระบวนการเหล่านะั้ไม่ได้เห็นกายเห็นใจ เม่อมันจะไปเห็นสภาวะธรรมที่หลากหลายของใครของมันคนแต่ละคนจะเห็นเหตุปัจจัยไม่ไมเท่ากันจานมรเห็นน้ําเข้าใจรูปน้ำบางคนเดินไปเห็นต้นไม้เข้าใจรูปน้ําเราจะเห็นสภาวะเหล่านี้ไม่เหมือนกันแต่ความเข้าใจจะเป็นความเข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นแค่นั้นแค่นั้นก่อนแค่นั้นแค่นั้นของมันเองและผลจะเหมือนกันไม่เหมือนกันที่ผลคือถอนตถาและอุปทาน ใจเบาขึ้นใจกลับมาอยู่กับกายกับใจรับรู้รับรับรู้ยอมรับในความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นของทุกสิ่งทั้งหมดไปโดยธรรมชาติอันนี้จะเหมือนกันในวิธีการของพวกเรานะ่ตอกย้งให้ชัดว่าเรามุ่งเน้นที่การสร้างเหตุไม่มุ่งเน้นที่การคิดพิจารณาอะไรนะักแต่ก็เลือกไม่ได้นะอันนี้พูดใี้ฟังแต่ก็บอกว่าเลือกไม่ได้บางคนทำตัวเดียว แล้วก็อยู่ตัวเดียวไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยรู้สภาวะอะไรเยอะหรอกแต่จิตจะพัฒนาตัวไปเรื่อยๆถอนตัหารูปทานได้เช่นกันโดยที่ไม่ไม่เข้าใจกระบวนการก็มีนะแต่บางคนเห็นสภาวะพิดสดาลนักก็มีส่วนนี้นะบางคนทําตัวเดียวนี่แหละรู้สึกตัวตัวเดียวนี่แหละแต่ไปเห็นสภาวะพิดสดาลนักเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวจําแนกแกแ้งเดี๋ยวกายละเอียดยิบเดี๋ยวใจละเอียดยิบบางคนกายละเอียดยิบเลย บางคนจิตละเอียดยิบเลยอันนี้เราก็เลือกไม่ได้อีกเช่นกันว่าเราจะไม่ต้องเห็นเราจะไปพัฒนาอย่างเดียวเลือกไม่ได้นะ <c oughs> เราไม่สามารถเลือกสภาวะว่าให้มันเห็นหรือไม่เห็นไม่ได้เป็นธรรมชาติของจิตใครจิตหมันเป็นธรรมชาติของผู้รู้แบบใครแบบหมันเราเลือกไม่ได้บางคนไม่เห็นอะไรเลยนะสภาว ะ, วะนี่พัฒนาตัวรู้ตัวรู้ขี้หายขี้กลายขี้กลา ย, ายจบกระ บ, บนการไปเฉยเลยบางค น, นเห็นพิสดาร ตมาเข้าใจเนื่องจากเขาหวาน่ะอาตมาเป็นคนนอกกรอบอย่างเงี้ยอาจารย์พันเป็นคนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเยอะจะภาวะกายละเอียดยิบยยิบย้ํจารย์พันเห็นหมดเรื่องนี้เลือกไม่ได้บางคนเห็นจิตละเอียดยิบเลยอาตมาจะเห็นจิตค่อนข้างไวอย่างเงี้ยจะเห็นกายให้ละเอียดไหมอาตมาไม่เห็นกายเยอะอากเห็นกายสูงสุดด้วยความเป็นเคมีไม่เห็นเป็นท่าเป็นขันด้วยซ้ํำไม่เห็นเป็นธาตสีเห็นเป็นปฏิกิริยาเคมีล้วนๆอย่างเงี้ย สภาวะเหล่านี้เราเลือกไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านเลยค่อนข้างจะเลี่ยบที่จะพูดสภาวะต้องเห็นแบบนี้ต้องเห็นแบบนี้เพราะเราไอกล่องที่สองเนี่ยเราเลือกไม่ได้เราเลือกให้ลมพัดไม่ได้เลือกให้เดดออกไม่ได้เช่นกันกับเราเลือกให้มันเห็นอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่ทําหน้าที่เห็นคือตัวผู้รู้เนี่ยพัฒนาให้เป็นแต่ผลจะไปเป็นตัวเช็คไว้นี่คือสามกองถ้เราเข้าใจอย่างนี้เวลาเราภาวนาเราจะง่ายเพราะสิ่งที่เราต้อง กลับมาทําคือรู้สึกตัวตัวเดียวนั่นเลยพัฒนาตัวนี้ให้ดีพัฒนาให้ถูกต้องยิ่งละเอียดเข้าละเอียดเข้าเนี่ยเราต้องรู้ว่าส่วนไหนมันเกินส่วนไหนมันขาดการบริหารมร์เนี่ยมร์โดยรวมมีขณะจิตเดียวมร์เมื่อมันเป็นคนแล้วมันมีขณะจิตเดียวนะแต่ก่อนที่มันจะรวมไปขณะจิตเดียวเนะี่ยรวมไปเป็นน้ําหยดเดียวเนี่ยนะมันเป็นละอองเล็กๆมาก่อนบริหารปัจจัยประกอบว่าทำยังไงจิตจะกลับมาอยู่กับกายเรียน อูกับกายและรู้กายรู้ใจไปยังธรรมชาติยอมรับกายยอมรับใจยอมรับธรรมชาติตั้งหลายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังไม่บังคับจัดการยังไม่ถมเลอกซึ่งกันและกันอยู่กันไปยังเป็นศาสนาติภายในไปเรื่อยๆคนละเอียดเข้าคนพัฒนามาถึงระดับหนึ่งดูเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาดูมันเข้าใหม่ให้มากขึ้นธรรมชาติตั้งหลายเกิดขึ้นสติไปทําอะไรกับสิ่งอื่นไหมสิ่งอื่นเข้ามากระทบกับสติไหมหรือมาต่างคนต่างเกิดต่างทําหน้าที่ความโกรธเกิดขึ้น ถ้ามันพยายามกลับมารู้สึกตัวหรือว่าความรู้สึกตัวมันให้น้ำหนักกับตัวมากเกินไปสภาวะทั้งหลายหายเกินหายอย่างผิดปกติเกินไปแสดงว่ามันเอียงละมันไม่มันไม่อุเบกขาละค่อยๆอุเบกสติตัวนี้มันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่รอบไม่สมบูรณ์แบบของมันอันนี้เป็นอารมณ์้วยคนเก่าที่รสมาเคยแนะนำให้ไปดูเรื่องแบบนี้เพิ่มขึ้นสภาวะทําความโกรธความคิดความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นอ่ะมันหายด้วยธรรมชาติมันเกิดแล้วก็ดับไปด้วยธรรมชาติ แต่ตอนมันดับเนี่มีอะไรไปทําให้มันดับไหมแม้กระทั่งจิตกลับมารู้สึกตัวนะบางทีก็เป็นการถีบสภาวะเกินไปนะอันนี้จะเป็นอารมณ์สมมุติที่หลวงป่อเทียนท่านพูดคนเก่าขึ้นไปดูเรื่องเหล่านี้ให้ละเอียดขึ้นค่อยๆค่อยๆเรื่องภาวนาในยุคนี้มีครูบาอาจารย์ที่ผ่านกระ บ, บวนการที่เข้มข้นทั้งผิดทั้งถูกมาเยอะมากอย่างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พวกเราทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยโดยตรงเราอาจจะไม่ใช่ลูกศิษย์ ที่ได้ต้นกําเนิดจากหองพ่อโดยตรงแต่ยังอาตมายังอา จ, จารย์มหาอมอนเนี่ยเราเติบโตมาภายใต้คุณประโยชน์ที่หลวงพ่อสร้างทิ้งเอาไว้หลวงพ่อท่านสร้างแพร่แสงเทียนสร้างครูบาอาจารย์สร้างรพระลูกพีพี่เพออราะอาตมาเนี่ยมารับต่อรับประโยชน์ต่อจากสิ่งเหล่านี้เมื่อถึงการถึงเวลาก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะสนองคุณกระตะโยกตะเวทีทั้งครูบาอาจารย์ทั้งพระแม่ครูบาอาจารย์หมูคนะ่คณะแล้วก็ส่งต่อมาสู่ญาติโยมมาสูพ่พวกเราทุกคน เป็นการทำหน้าที่ซึ่งกันและกันเป็นทั้งผู้รับเป็นทั้งผู้ให้เป็นทั้งผู้ร่วมเดินทางไปด้วยกันแค่นี้ละ